เพศ ว, วันที่ยี่้ามกราคม2อ0 7ณวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีเราเป็นพระที่บวชในพระพุทธศาสนา พระของพระพุทธเจ้าได้แก่ลูกศิตพระถาคตจงอย่าเห็นสิ่งอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าพระในตัวของเรา าเรามีความรู้สึกในพระของเราว่าเป็นของมีคุณค่าอยู่ประจำตัวทุกๆขณะแล้วอาการเคลื่อนไหวทุกๆอาการจะเป็นไปเพื่อความเยบรกอยนไม่ทำพระของเราให้ด้อยลงภายในตัวของเราเอง แต่ใต้เห็นสิ่งอื่นว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าพระของตนแล้วนั่นแหละพระของเราจะเริ่มลดคุณค่าลงไปโดยความประพฤติเสื่อมเสียต่างต่างเพราะเห็นแต่สิ่งภายนอกว่าเป็นของหนึ่งคุณค่ายิ่งกว่าพระของตน พระเราจรึงกลายเป็นเรื่องตะเกียรตะกายไปตามสิ่นทั้งหลายโดยเจ้าตัวไม่รู้ดังนั้นการปฏิบัติทุกๆข้อ คือดำเนินตามร่องรอยของพระพุทธเจ้ายิงเป็นการส่งเสริมพระของเราให้มีคุณค่ายิ่งขึ้นจนกลายเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในใจัดเพราะอำนาจแห่งข้อปฏิบัติซึ่งเป็นเครื่องขัดเกลา หลกฐานของพระคือใจมีความรู้อยู่จำเพาะตน ท, ทุกทุกขณะทั้งหลับและตื่นพระพุทธเจ้าที่ปรากฏเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาพระองค์ท่านก็ทรงอาศัย ความรู้ที่เรียกว่าใจนี้เองเป็นภาค พ, พื้นแห่งความวิเศษทั้งหลายพยายามเจรนัยพระองค์จนเต็มความสามารถแล้วได้ปรากฏเป็นศาสดาขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบว่า ใจจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ผู้สนใจต่อความดีเพื่อตนจึงเมื่อควรปล่อยใจให้เป็นไปตามนาจของสิ่งที่จะทำลายและทำใจให้เสียความดีของตนลงไป เราที่มาบวชในพระพุทธศาสนาสละทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อจะอบรมจิตใจของตนให้เป็นไปตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจา้าผลที่จะปรากฏขึ้นจากการดำเนินถูกทางนั้น เบื้องต้นก็คือความสงบเย็นใจอันดับต่อไปซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ทอดทุละในทางความภาคเพียรยอมจะเป็นไปเพราะความเฉลียวฉลาดและเยือกเย็นยิ่งขึ้นสามารถจะเห็นสิ่งนี้รับ ซึ่งเกืออแฝงอยู่ภายในใจที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นมาแต่ก่อนได้โดยชัดเจนเพราะอำนาจของความฉลาดของใจที่ได้รับการอบรมฝึกฝนเสมอ เราจะเห็นจิิงใดในเพศแห่งนักบวชของเรานี้ว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้สำรักปรับพระโอวาททุกบททุกบาทที่ประทานเอาไว้ ลวนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องจะประดับกายวาจาใจของเราให้มีสง่าราศีภายในตัวเองและมีความร่มเย็นเป็นจุกภายในผู้ปฏิบัติได้เป็นลำหนับหน้าที่ของพระเราทั้งหลายได้ ศึกษาเราเรียนมาพอประมาณและได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอยู่เป็นประจำไม่มีข้ออื่นใดซึ่งควรจะเป็นที่สงสัยนอกจากว่าเราจะพยายามมีเปรนงคันขวายบำเพ็ญหน้าที่ของเรา ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นลำดับเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจงมองดูตัวของเราให้รอบทุกอาการเคลื่อนไหวว่าจะเป็นไปเพื่อถูกทาง คือไม่คิดที่ทำทุกอย่างขอให้มีความจงใจคือมีความรู้สึกอยู่กับภุรณาที่ของตนอย่าให้เผลอเลย ผู้เห็นข้อวัดปฏิบัติซึ่งเป็นหน้าที่ของตนว่าเป็นของไม่จําเป็นผู้นั้นคือว่าเป็นภูมิหมดคุณค่าภายในตัวไม่สามารถจะรีฟื้นตนขึ้นมา ให้เป็นผู้มีคุณค่าอันสูงไนดะ้สิ่ที่เราทำดีทุกวันมีการปัดก่าตามผุ้ดงขวัดตี พระองค์ท่านประทานไว้แล้วด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องชำนะจิตใจดวงนี้ทั้งนั้นตรงถือว่าสิ่ ง, ท, งทั้งนี้เป็นของจำเป็นทุกระยะและทุกข้อด้วยและทำกิจเหล่านี้ด้วยความสนใจและเต็มใจ เมื่อกิดธุรนาทีที่เราทำลงไปด้วยความจงใจผลจะเป็นเครื่องสนองตอบแทนขึ้นมาให้เราเป็นผู้มีความสาคัญในตนขึ้นทางกายก็สาคัญทางวาจาก็สาคัญทางใจก็สาคัญเพราะเป็นไปด้วย ความจงใจซึ่งเรียกว่าเป็นการถูกทมถ้าทำสิ่งใดด้วยความเถลอเลยโดยไม่จงใจนั้นผลจะได้ก็มีเพียงเล็กน้อยนอกจากนั้นยังจะเป็นเทศทำคนผู้นั้นให้เป็นคนเคยชินต่อความเถลอเลย แล้วหาชิ้นดีไม่ได้แม้จะทำงานอยู่กับหมู่คณะก็ทำโดยวิธีเผอเลยจะทำงานประจำหน้าที่ของตนโดยเฉพาะก็จะเป็นผู้เผอเลยอยู่เช่นนั้นเลยไม่มีขณะหรือเวลาใดจะเป็นไปเพื่อความมีสติ มีความจงใจประจำหน้าที่ของตนขั้นต่อไปต่อไปก็กลายเป็นคนหลักลอยหาหลักยึดไม่ได้ที่นี่ก็จะเห็นว่าพระศาสนาไม่มีคุณค่า โดยที่เราเป็นผู้ให้คะแนนแก่พระศาสนาเสียเองแทนที่พระศาสนาจะเป็นแหล่งผิดคุณงามความดีสำหรับเราทีนี้ก็กลายเป็นคนโลกแคบดูที่ไหนก็อยู่ไม่ได้เพราะความเดือดร้อนบังคับ ใจหาที่ร่วมเย็นไม่ได้ภายในตัวเองทั้งเทศที่เป็นพระผีนี้แหละเพราะฉะนั้นผู้ตั้งหลักฐานเพื่อตนเองให้เป็นความมั่นคงเป็นลำดับไปแล้วจึงควรถือปัจจุบันเป็นที่ตั้ง หลักตั้งฐานต่อตนเองอย่าไปถือวันหน้าเพื่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่าไปถือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อเดือนหน้าปีหน้าจงถือปัจจุบันในตัวเองทุกขณะที่จะทำกิจการงานอันใดใด เป็นเครื่องปรับปรุงตัวเองอยู่ภายในนั้นจนเป็นผู้ชินต่อ น, นิสัยในหน้าที่ของตนเรียกว่าการดัดแปลงตนเองโปรด ถ, ถือหลักปัจจุบันเป็นที่ตั้งอย่าไปพึ่งพิงอิงอาศัยอดีตอนาคตที่ผ่านมาแล้วและยังไม่มาถึงให้นอกจากหลักปัจจุบันซึ่งเป็นสถานที่ พิดความดีและความชั่วให้บุคคลและสัตว์ทุกขณะในภายในตัวของเราเอ้ถูจะเป็นคนชั่วในอนาคตต้องปรากฏตัวเป็นคนชั่วอยู่ในขณะปัจจุบันแล้วปัจจุบันเป็นคนชั่ว เรื่องผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องกลาปรากฏเป็นความสู้ถ้าปัจจุบันปฏิบัติตนด้วยดีผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็ต้องปรากฏเป็นความดีขึ้นมาแม้วันพรุ่งนี้หรือเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าก็าตาม โปรดได้ทราบว่าเราเป็นตัวปัจจุบันที่จะดำเนินคุณงามความดีของตนไปตามลหดับแห่งมื้อวันปีเดือนโดยเฉพาะภายในตัวของเราทุกท่านฉะนั้นการตั้งตัวให้ เป็นไปเพื่อความแน่นหนามั่นคงเพื่อความเป็นผู้มีหลักแกรง่งภายในตัวเองจึงควรถือหลักปัจจุบันดูแลสอดส่องตัวเองด้วยข้อวัดปฏิบัติคิดรูรถูกโปรดได้สังเกตตัวเองอยู่ทุกๆเวลานี่ทันเรียกว่าปรับปรุงตัวเองในปัจจุบันเหมือนอย่าง ต้นผ ล, ลไม้เมื่อปรากฏขึ้นครั้งแรกก็เป็นต้นเล็กๆแต่อาศัยการบำรุงลำต้นอยู่เสมอจากต้นไม้ต้นเล็กๆนั้นก็ปรากฏเป็นต้นเติบโตขึ้นมาจนถึงกับได้รับดอกรับผล ตามความต้องการเนื่องการบำรุงตัวของเราด้วยความเป็นปัจจุบันสอดส่อง ต, ตัวของตัวอยู่เสมอทุกขณะนี่แหละจะเป็นเหตุให้เรามีความตกเติบโตขึ้นด้วยคุณงามความดีความฉลาดรอบพรอความมั่นคงภายใน จ, ใจิตใจ ทุกอย่างจะเป็นความสมบูรณ์ขึ้นจากการบำรุงตนอยู่ในปัจจุบันทุกๆเวลาจะไม่มีที่ไหนจเจริญเติบโตขึ้นนอกจากหลักการบำรุงตนอยู่โดยเฉพาะนี่เลยคนจะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเป็นขึ้นจากเด็กที่รับการเลี้ยงดูอยู่เสมอเนี่ย ความรู้ของเราเพียงเล็กน้อยแต่จะกลายเป็นความรู้ความฉลาดสามารถขึ้นมาก็ออกเพราะการบำรุงตัวเองความดีจะน้อยแต่ได้รับการบำรุงด้วยความดีเสมอจะกลายเป็นความดีที่ใหญ่โตขึ้นมาภายในบุคคลคนนั้นหลักของความเปียน เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วเรื่องของสติเป็นรากฐานของความเพียรจะทำธุระหน้าที่ใดๆอย่าให้สติครากจากกิจการนั้นๆ สติจะเป็นความเคยชินในหน้าที่การงานเพราะการอบรมเช่นนั้นเสมอแม้จะน้อมเข้ามาสู่ภายในคือการพิจารณาโดยเฉพาะทางด้านจิตใจสติก็จะหมุนตัวเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว การฝึกหัดอบรมจิตใจก็จะเป็นไปได้ด้วยความสะดวกเพราะอำนาจแห่งสติเป็นเครื่องประคองราาักษาถ้าผู้ใดไม่เห็นเรื่องสติเป็นของสำคัญในทางความเปลี่ยนด้วยแล้วผู้นั้นจะเป็นคนเพลอเรอไปตลอดปันตาย และจะไม่มีความดีอันใดเกิดขึ้นนอกจากอำนาจของสตินี้ไปได้เลยแม้แต่การกำหนดลมหายใจเข้าออกถ้าเราไม่มีสติแล้วเราหายใจตั้งแต่วันนี้จนถึงวันตาย จะตายเสียเปล่าเปล่าแต่ถ้ามีสติเราจะทราบทัดในเรื่องลมหายใจของเราในขณะที่นั่งภาวนาอยู่นั่นแหละลมหยาบก็ต้องทราบลมปานกลางลมละเอียดต้องทราบ ละเอียดเข้าไปขนาดไหนเพราะอำนาจของสติรับรู้อยู่ทุกๆขณะก็ต้องทราบไปทุกระยะการถึงกับจิตมีความสนิทเต็มที่ภายในตนเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับลมเลยก็ต้องสั่งเพียงเท่านี้เราก็พอจะทราบแล้วละว่า เรื่องของสติมีความสำคัญแค่ไหนเราจะส่งออกมาภายนอกในอียาบทยืนเดินนั่งนอนก็ให้มีสติเป็นเครื่องรักษาดีเสมอย้อนเข้าสู่วงในได้แจบพิจารณาภายในสติก็จะเป็นไปได้วยความสะดวกและรวดเร็ เพราะความที่เคยฝึกฝนอบรมอยู่เช่นนั้นเมื่อเราจะน้อมจิตไปสู่กิจธุระหน้าที่ทั้งภายนอกและภายในชวนหยาบและละเอียดสติจะเป็นผู้รรทําหน้าที่ช่วยบํารุงจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสะดวกและเห็นชัดในสิ่งที่ตนพิจารณาอยากจะทราบจะไม่นอกเหนือจากเรื่องของสตินี้ไปได้เลย เพราะฉะนั้นบรรดาท่านผู้ถึงธรรมอันเลิศมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจึงทรงให้นามสติประเภทนั้นว่ามหาสติตัญญาที่จะเป็นมหาปัญญาไปได้ก็เพราะอำนาจแทนสติเป็นเครื่องเสริมปัญญาก็กลายเป็นมหาปัญญาไปได้ ด้วยอำนาจของสติที่มีกำลังกล้าจนกลายเป็นมหาสติขึ้นมาธรรมของพระพุทธเจ้าหรือแดนแห่งธรรมที่เราจะควรพิจารณาให้เหมาะสมกับกำลังความสามารถของเหล่านั้นท่านผู้ฟังทั้งหลาย อย่าพึงเข้าใจว่ามีกว้างลึกหรือสูงยิ่งกว่ากายเวทนาหิตธรรมที่รวมเป็นกองอยู่ภายในตัวของเราทั้งตัวนี้ขอให้ อย่างความเพียรลงในกองแห่งขันนี้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายจะเห็นเรื่องของขันโดยชัดเจนทั้งรู ป, ปรขันทั้งเวทนาขันทั้งสัญญาขันทั้งทั้งสังขารขั น, ขนและวิญญาณขันโดยไม่ต้องสงสัยและจะไม่มีอะไรสามารถมาปิดบังรี้ลับ ขันที่ประกาศตัวเองอยู่ภายในต่วงเหล่านี้ไว้ได้ว่าจะไม่ให้สติและปัญญาสามารถตู้แจ่งแทงตลอดในสภาวะเหล่านี้ขันอันนี้ไม่เคยเปลี่ยนสภาพตัวเองจากความเป็นของจริงนับตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆมา จนกระทั่งปัจจุบันนี้แล้วผู้ปฏิบัติตามสุขาตกธรรมที่พระองค์ท่านประทานเมา่อ้เหตุใดผลรายได้ที่จะปรากฏขึ้นแก่นักปฏิบัติผู้ทาโดยถูกต้องตามแนวทางนั้นจะปรากฏเป็นอื่นขึ้นมานอะคัมมัมชิมาปฏิปทา คือเครื่องดำเนินเป็นศูนย์กลางนั้นถ้าเราไปหมายตามถนนหนทางอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะเรื่องนั้นเป็นด้านวัตถุปีนี้อาจจะเปลี่ยนทางสายนั่ง…งสายนั้นเป็นอย่างหนึ่งเปลี่ยนทางสายนี้เป็นอย่างหนึ่งและบำรุงาทางสายนั่งเจริญขึ้น และอาจจะทางสายนี้เสื่อมลงก็ได้แต่ธรรมมัชิมาของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างถนนหน่านถ้าไม่เป็นเช่นนั้นแล้วแต่มีอยู่ในศูนย์กลางของกายเวทนาจิตธรรมนี้แล้วมัชิมาของพระพุทธเจ้าจะไม่ เปลี่ยนสภาพเป็นอื่นไปเลยขอให้ผู้ปฏิบัติจงพิจารณาคำาทุกครั้งอริยสัจจังเคยชินต่อหูต่อใจและมีอยู่ทุกๆเวลาภายในกายในใจของเราด้วยโปรดได้พิจารณา ให้เห็นตามหลักความจริงของทุกด้วยอำนาจของสติและอำนาจของปัญญาโดยจริงจังคำว่าของจริงที่พระพุทธเจ้าเคยประทานไวแล้วนั้นจะปรากฏเด่นชัดขึ้นที่ภายในใจของเราคำว่าสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบไม่ใช่เป็นการตัดหนามกั้นทางตัวเองเราอย่าไปปักปันเขตแดนบังคับทุกข์ไม่ให้แสดงขึ้นมาในเมื่อทุกข์เขาเป็นของจริงอยู่อย่างในโปรดได้พิจารณาตามหลักของทุกข์ที่ประกาศตัวเป็นของจริงอยู่นั้นโดยสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นชอบทางปัญญาไปตามสายทางแห่งทุกข์เราจะเห็นทุกข์เป็นของจริงขึ้นมาไดะจากด้วยปัญญาของเราซึ่งก็เป็นของจริงอันเมื่อเราไม่เห็นทุกข์ ท, ทั้งที่ทุกข์มีอยู่กับเราสมมูไยก็มีหน้าที่ที่จะต้องคิิดทุกข์ขึ้นมาให้เราได้รับ ความทุกข์ความลำบากเสมอไปไม่มีเวลาหยุดยั้งเหมือนกันถ้าเราได้พิจารณาให้เห็นเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ภายในกายและภายในใจของเราเป็นลำดับไปแล้วเรื่องของจมูิไทยก็เป็นอันว่าจะค่อยระงับลงไปเพราะอานาจแห่งมัคคือปัญญาและสติ เป็นผู้พิจารณาการปฏิบัติตัวเองถ้ามองข้ามตัวเองก็ไม่เห็นเรื่องของตัวเอง อ่านทุกสมุทัยนิโรธมรกวันยางคำคืนยังลุงแต่ไม่ได้อ่านตัวเองก็ไม่เห็นเรื่องของทุกสมุทัยที่มีอยู่ภายในตัวถ้าเรามาอ่านตัวของเราก็แสดงว่าอ่านสัจธรรมสัจธรรมก็มีอยู่สี่ถ้าอ่านตัวของเราแล้วก็จะรู้ชัดในสัจธรรมทั้งสี่นั้นแล้วเราจะมีปัญหาอะไร ทำสอนขำวพุทธิจาวอีกแล้วมักมาอ่านทุกอ่านสมูทยัยภายในตัวของเราเห็นชัดแล้วเรื่องนี้โลทะคือความดับหรือความแจมแจ้งภายในตัวเองได้แสดงขึ้นมาเลยจาก สัจจะทั้งสีน่นี้ก็ไม่มีสถานีใดที่จะตั้งเอาไว้เพื่อเป็นข้อสงสัยของผู้ถึงแดนแห่งธรรมประเภทนั้นทำไมจึงอ่านตัวเองไม่ได้ความเรื่องของตัวเองก็มีอยู่ หนังสือแสดงตัวทุกตัวสมูทัยเป็นตัวอยู่ทั้งตัวเราทำไมจึงจะอ่านไม่ออกกระดานในโรงเรียนเขายังมีที่มีฐานมีการมีเวลาแต่ตัวหนังสือตัวทุกตัวสมูทัยนี้ มีอยู่ภายในตัวของเราีทุกเวลาทำไมจึงอ่านไม่ออกมีเนื่องจากจิตของเรามองเลยขอบเขตความจริงนี้ไปหลักความจริงจริงไม่แสดงขึ้นมาให้เป็นเครื่องตอบแทนอย่างสมใจเพราะฉะนั้น โปรดได้ดูเรื่องของเราซึ่งไม่กว้างไม่แคบไม่ลึกไม่ตืนมีความรับรู้กันอยู่ทุกๆุกขณะในกายในใจของเราีตรงดูให้เห็นชัดและบังคับจิตใจของตนให้มีเขตแดน อย่าให้เพลนผ่านออกไปตามอำเภอใจจะไม่มีผลดีอันใดเกิดขึ้นมองดูเวลาไหนก็เห็นอยู่เพียงทำความรู้สึกว่าเวลานี้เราพิจารณากายเท่านั้น ความรู้สึกนั้นก็รู้สึกว่าเด่นขึ้นในขณะนั้นทีเดียวนี่คือความมีสติประจำอยู่แล้วถ้ามีสติค่อยติดต่อกันเป็นลำดับแล้วความเด่นชัดในเรื่องการพิจารณานี้ต้องมีเป็นลำดับไป การเทศมานี่ก็เป็นเีลานนานผลได้รับจากท่านคุปฏิบัติไปรีรับอยู่ที่ไหนคายกับว่าเขาซุ่มปลาในองค์ ที่ไม่มีปาเทธรรมะคำดองสอนของโพช เ, เจ้าเหมือนกับไม่มีของจริงในบุคคลผู้ฟังเลยและผู้เทศเลยคล้ายกับว่าเอาลมมาพูดให้ดูกันฟังเฉยเฉยความจริงไม่มี เมื่อมีแต่ลมไม่มีความจริงแล้วเราจะหวังอะไรถ้าปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาความจริงที่จะเกิดขึ้นนั้นก็ดอธิบายให้ฟังแล้วในจุดที่จะให้พิจารณาหรือให้บังคิด เราควรจะทดสอบจิตใจของเราขณะที่นั่งภาวนาก็ดีหรือขณะเดินจงกรมก็ดีว่าระยะที่นั่งหรือเดินนี่นั้นขณะที่จิตไม่มีความเผลอเลอไปนั้นตอนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างและขณะที่จิตได้เผลอเลอไปนั้น ตนเองไม่มีความรู้สึกเป็นผลอย่างไรบ้างควรจะนำมาเทียบเทียงกันเพื่อจะได้เพิ่มส่วนที่บกพร่องให้เป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาภายในตุแล้วจะมีช่องทางเดินไปหรือก้าวไปในอันดับต่อไปแต่ถ้าเดินก็แล้วนั่งก็แล้ว ไม่ปรากฏจนถึงกับว่าสติได้มีความสนใจต่อตนเองหรือเผลอเลอไปที่ไหนเป็นแต่เรื่องเผลอเลอไปทั้งนั้นอย่างนี้แล้วก็หมดทาง เทก็ไม่ทราบว่าจะเทตกไปอย่งังเพราะได้ปฏิบัติมาอย่างที่อธิบายให้ท่านผู้ฟังทราบทุกๆระดยบผลที่จะปรากฏขึ้นมานับตั้งแต่ส่วนหยากเป็นลำดับลำดับไป ยอมจะเกิดขึ้นจากทาที่ได้อธิบายมาแล้วเท่านั้นนอกจากนี้แล้วไม่เห็นมีทางไหนจะเป็น